สิกษาบทสิในคุตกะปาฐิหาริยนะเพื่อแสดงศิกษาบททั้งหลายเนี่ยนะอันอุบาสกหรือบรรพชิตผู้เข้ามาสู่ศาสนาจะพึงศึกษาเพราะว่าผู้ที่เข้ามาในศาสนาแล้วจะได้มีศิกขาเนี่ยนะหมายว่านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็มีศึกษาศิกขาหรือก็ข้อควรศึกษาว่า ง, งั้น เพราะฉะนั้นก็เลยแสดงสิกขาบทสิบต่อจากสารณะที่ว่าข้าพเจ้าสมทานสิกขาบทงดเว้นจากปาณปฏิบัติข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากอธินาทานข้าพเจ้าสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากอพิรมจรรันข้าพเจ้าสมทานสิกขาบท คืองดเว้นจากมุสาวาทข้าพเจ้าสมท า, านสิกขาบทคือเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการเสพสุราเนี่ยนะของเมาคือสุราและเมรัยข้าพเจ้าสมท า, านสิกขาบทคืองดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการข้าพเจ้าสมทานสิกขาบทคืองดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องการประโคมและ การดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลข้าพเจ้าสมมาานศิขาบทคืองดเว้นจากการรูปไลลทัดทรงประดับประดาดอกไม้ของหอมอันเป็นลักษณะการแต่งตัวข้าพเจ้าสมมาานศิขาบทคืองดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ข้าพเจ้าสมมานศิขาบทคืองดเว้นจากการรับทองและเงิน อันนี้เป็นศิกษาบทที่ผู้ที่เข้ามาสู่พระศาสนาจะต้องศึกษาเนี่ย น, นะศึกษาบทสิบนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสให้สัมมเนนทั้งหลายเนี่ยนะศิกษาถ้าเป็นบนรรพชิตสัมมเนนทั้งหลายเขาสมถ า, านนะันนี้เป็นนิจศีลของของสัมมเนนเลยเนี่ย น, นะว่าสมมเนนจะต้องรักษาทั้งสิบทอนี้นะ ส่วนอุบาสกนั้นอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาอุโบสถศีลก็หักข้อสิบออกไปข้อ8กับข้อ9ประมวลมาเป็นข้อเดียวกันนี่นะนัจคีตวธิฏวิสุกทัทสนามาลาคันธะวิเลปนธาธารณะมัฑตนะนาวิภูษนัฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามินะข้อ8กับข้อ9้าเป็นข้อเดียวกันส่วนถ้าหากว่าเป็นศีลสิบก็ข้อ8เนี่ยนะขยายเป็นสองข้อ บวกกับรับเงินและรับทองก็เป็น10บข้อเพราะฉะนั้นอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้มีศรัทธาที่จะสมาทานศีล1ิบก็ได้เนี่ยนะแต่ถ้าศีล8ก็เป็นอุโบสถศีลแต่ว่าข้อ1ถึงข้อ5ก็เป็นนิจศีลทีนี้ก็ควรศึกษาคำว่าเว ร, รมนีเนี่ยนะตาณาติปาตาเว ร, รมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ คำว่าเวรมนีคำว่าเวรมนีนั้นชื่อว่าเวรมนีเพราะเวนเวนเวรมนีก็คือเว้นจากเวนนั่นเองอธิบายว่าละบันทาเวนคือทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีเวนว่างั้นเรียกว่าเวรมนีว่างั้นเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ทําปาณาติบาตธรรมธินนาทานเป็นต้นนี่นะก็จะมีเวนทั้งโลกนี้มีเวนทั้ง โลกหน้าเป็นต้นนัลักษณะนี่นะเพราะฉะนั้นก็สมทานเวนเวนเหล่านี้เนี่ยนะไม่ให้มีเวนเหล่านี้นะนการฆ่าสัตร์นี่เป็นการก่อเวนใช่ไหมการลักทัพย์การประพฤติผิดการประพฤติอภรรมอาจารย์เหมือนกันก็เป็นการก่อเวนก่อภยัยเวรมณีแล้วต่อไปคําว่าศิกขาศิกขานี้เพราะอันบุคคลพึงศึกษาแต่ใช้คาว่าสิกขาประดังเนี่ยนะบทสิกขาประดังศิขาบทนั่นเอง คำว่าบทนี้นี่เพราะเป็นเครื่องถึงเนี่ยนะบทแห่งสิกขาเป็นเครื่องถึงสิกขาหรือว่าบทแห่งสิกขาก็เรียกว่าสิกขาบทเนี่ยนะบทแห่งสิกขาชื่อว่าสิกขาบทอธิบายว่าอุบายเป็นเครื่องถึงสิกขาหมายก็ว่าใครที่จะถึงอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาก็สมทานสิกขาบทเหล่านี้แต่อีกในหนึ่งนะคะว่าสิกขาบทนี้ท่านอธิบายว่าเป็นมูล เป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งของศิกขาเนี่ยนะข้าพเจ้ายึดถือโดยชอบเชื่อว่าสมาธิามิเนี่ยนะเพราะเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตนั้นต้องสมาทานานสมาธิามิแปลว่าถือเอาโดยชอบท่านอธิบายว่าข้าพเจ้ายึดถือโดยประสงค์จะไม่ล่วงละเมิด เดียวนะคำว่าสมท า, านเนี่ยนะจะไม่ละเมิดการฆ่าสัตว์เนี่ยนะเพราะเป็นผู้กระทำศกขาบทไม่ให้เป็นท่อนเนี่ยนะคือไม่ให้มันเป็นท่อนๆ น, นะไม่ใช่ว่าโหรักษาได้ข้อหนึ่งแต่ขาดอีกไม่รู้กี่ข้อเียไม่ทำให้มันเป็นท่อนแบบนั้นทำให้ศกขาบทเหล่านี้ไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยเนี่ยนะแต่ว่าโดยอัฏฐะโดยอัฏฐะคือตัวที่รักษาสีจริงๆได้แก่อะไร เมือ่อกีพูดโดยพยัญชนะว่าสมท า, านคือถือเอาโดยชอบถือเอาโดยไม่ขาดไม่ดงังไม่พร้อยไม่ทะลุซึ่งเวรมณีคือการเวน้นจากเวรทั้งหลายเนี่ยนะเวรภัยทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดแล้วก็สมท า, านศึกษาในในข้อเหล่านี้เรียกว่าพูดโดยพยัญชนะถ้าพูดโดยอัถะเนื้อความนะนนะ่ะคำว่าเวรมณีเนี่ยนะ เป็นชื่อของอมหากุศลหมายถึงเวรมณีหรือวิรตีเนี่ยนะที่ประกอบกับมหากุศลจิตเนี่ยนะที่ประกอบกับมหากุศลจิตทั้งแปดดวงเลยนะหมายถึงวีรตีที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตวิรตัตหรือวีรตีนั้นของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตอย่างที่ท่านคือพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงเอาไว้ในคัมภีรวิพังเนี่ยนะ โดยในเป็นต้นว่าในศิกขาบทวิพังอารติน่นะงดวิรติงดเวนปฏิวิรติเวนขาดเวรมณีก็คืองดเวนเน่นะอกิริยาคือไม่ทำอกการังไม่กระทำเน่นะแล้วก็ไม่ล่วงไม่ละเมิดขอบเขตเน่นะชักสะพานด้วยชื่อว่าเสตุจากปานาติบา ในสมัยนั้นอันใดเนี่ยนะเพรน้นเน้นไปที่เวรตีที่เกิดร่วมกับมหากุศลจิตทั้งแปดวงเนี่ยนะแต่คําว่าเวรณีเอ่อเวรตีหรือเวรมณีเนี่ยนะเวรติเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลจิตที่เป็นโลกุตระกุศลก็มีด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยนะปาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยไม่ได้ประสงค์เอาแบบนั้นเพราะว่าไอ้เวรตีแบบนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์แต่เวรตีหรือวิรตัต ตรงนี้เป็นเ ว, เนวรตีเป็นเวรมณีในการสมาทานขึ้น น, นะนะเพราะสมาทานขึ้นที่กล่าวว่าสมาธิามิเนี่ยนะข้าพเจ้ามิตัวนั้นบ่งถึงว่าข้าพเจ้าขอสมาทานถือเอาเหมือนกันถือเอาไม่ล่วงละเมิดทําไม่ให้ขาดไม่ให้ดงังไม่ให้พร้อยเนี่ยนะซึ่งกุศลเนี่ยนะคือสมาทานกุศลอันนี้รักษากุศลอันนี้ต่อไป เพราะฉะนั้นเวรมณีที่เป็นโลกุตระนั้นจึงไม่มีเพราะฉะนั้นในที่นี้มุ่งเอาเวรมณีที่เกิดร่วมกับกามาวจรกุศลนี่นะอวีรตีที่เกิดร่วมกับมหากุศลที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นเองเวรมณีศิขาใช่ไหมคาว่าศิกขาก่อน ปานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะดังสมาธิยามิเนี่ยนะไอ้คำว่าสิกขาสิกขานี่แปลว่าศึกษานะสิกขานี่มีอยู่สามประการด้วยกันคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาแต่ในที่นี้ในว่าปานาติปาตาเวรมนีสิกขาปะดังสมาธิยามิเนี่ยนะสิกขาในทุกๆสิกขาบทนั้นนะอ่หมายเอาศีล คือสัมปตวิรัติเนี่ยนะหมายเอาศิ่งที่เป็นสัมปตวิรัติหมายเอาวิปัสนาฝ่ายโลกิยะเอารูปฌานเอรูปฌานและอริยมรรคท่านประสงค์เอาว่าสิกขาในบทว่าสิกขานี้เนี่ยนะในตรงนี้นี่นะในปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะังสมาธิยามิไปจนถึงโนนะชาตรูปราชติตปฏิฆานาเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหมายเอาสัมปตวิรัตด้วยนะ่ยนะ ที่จริงเอาสมาฐานวิรัตด้วยนะคือศีลทั้งสมาฐานทั้งสามปตะวิรัตนั่นแหละแม้กระทั่งวิปัสนาฝ่ายโลกิยะรูปฌานอรูปฌานอรยมรักท่านประสงค์เอาว่าสิกขาในบทว่าสิกขาในตรงนี้เนี่ยนะเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้คือที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในคัมภีร์วิพังว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาคําว่าสิกขาเนี่ยอะไรเหมือนน จิตเป็นกุศลฝ่ายการมาวจรเกิดขึ้นเป็นไปกับโสมนัสประกอบด้วยยาเนี่ยนะในสมัยนั้นภาษาก็มีเวทนาก็มีสัญญาก็มีเจตนาก็มีเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงว่าความไม่ฟุ้งซ่านก็มีอวิเเคโปโหติเนี่ยนะธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาอ่านคำว่าสิกขานั้นหมายถึงกุศลธรรมที่เกิดในมหากุศลทั้งแดดวงเลยเสร็จแล้วแม้แต่รูปาวจรกุศลน่นะ ว่าธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าสิกขาในสมัยใดพระโยคาวจรเจริญอริยมรดุด้วยการเข้าถึงรูปฌานสังัดจากการทั้งหลายสงังขจากอกุลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยนะมีวิตตวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกจนถึงทุทาาตทิยฌานตัติยฌานจตุตฌานแล้วก็ปัญจมะฌานเนี่ยนะภาษะเวทนาจนถึงอวิเคโปโหติเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่าสิกขาเพรา ะ, ะนั้นคว่าสิกขาเนี่ยนะฌานาจิต ที่เป็นรูปปัจจานเนี่ยนะปฐมฌานทุติยะฌานตติยะฌานจะตุทฌานแล้วก็ปัญจมฌานก็ชื่อว่าสิกขาด้วยหรือแม้กระทั่งอารมูปปัจานทั้งหลายเนี่ยนะอาการสารัญญายตนาวิญญาณัญญายตนาอากินจัญญายตนาเนวสัญญาณาสัญญายตนาทั้งจิตเจตสิกที่เกิดทั้งหมดเหล่านั้นก็ชื่อว่าสิกขา หือแม้กระทั่งโลกุตระกุศลเนี่ยนะโลกุตระกุศลที่เป็นโลกุตระมักโสดาปฏิมัคสกธาคามียนาคามีอรหัตตมักเนี่ยนะก็ชื่อว่าสิกขาที่บอกว่าพระโยคาวจรเจริญโลกุตระฌานเป็นธรรมะนาสัตว์ออกจากทุกเนี่ยนะจนถึงโสดาปฏิมักเป็นยุต้นเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงเจตสิกคือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับมักกระกุศลทั้งหลายเหล่านี้สิ่งนี้ทั้งหมดชื่อว่าสิกขา เพราะฉะนั้นบทคืออุบายเครื่องถึงซึ่งสิกขาเนี่ยนะชื่อว่าสิกขาบทเนี่ยนะเพราะว่าสัมปะตะวิรัตเนี่ยนะวิปัสสนารูปฌานอรูปฌานอริยมรรคเนี่ยนะจะต้องอาศัยการสมาทานงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเป็นอุบายให้ถึงสิกขาทั้งหลายเหล่านี้ นะตัวสิกขาก็ต้องตัวสัมปัตตวิรัติวิปัสนารูปฌานอรูปฌานอริยมรรคเนี่ยนะทีนี้ไอ้รูปฌานอรูปฌา น, อ ร, รานอริยมรรคเป็นต้นหรือวิปัสนาเนี่ยอาศัยอะไรเป็นอุบายให้ละ่ะก็อาศัยสิกขาบทนั่นแหละอาศัยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์นั่นแหละเป็นอุบายเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งสิกขาทั้งหลายเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าคําว่าสิกขาบทเนี่ยนะก็คือเป็นมูลเป็นที่อาศัย เป็นที่ตั้งแห่งศิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาศิกขาเหล่านั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าศิกขาบทานี่ยนะคือหมายถึงว่างดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานการมีสมิธอะพรมาจันเนี่ยนะงดเว้นจากมุสาวาตรงดเว้นจากการดื่มสุรางดเว้นจากรับประทานอาหารในเวลาวิการเป็นต้นเนี่ย อ, อันนี้แหละเป็นมูลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งของศิกขา ของสิกขาคือมหากุศลของสิกขาคือวิปัสนาฝ่ายโลกิยะของสิกขาคือรูปฌานอรูปฌานอริยมรรคเนี่ยนะจะต้องอาศัยการกดเว้นจากปานปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยเป็นมูลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในหิมมวันตสูตรสังยุตติกายโพชฌงสังยุตว่า พโยคาวจรอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งโพษชงเจตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเจริญโพษชงเจนั้นก็ต้องอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลศีลในที่นี้ก็หมายถึงการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะเป็นบาทเป็นฐานเป็นที่รองรับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนับว่ามีสำคัญมากศีลเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งก็ดูในโพชงสังยุทธนะหิมวันตสูตร ทีนี้ผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะคือผู้ที่งดเว้นจากปานาติบางดเว้นจากอาทินาทานงดเว้นจากการเมสุมิชฌาจาร์เป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นไตกับกุศลเนี่ยนะแม้กระทั่งงดเว้นจากการประพฤติอะพรมจันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเป็นกุศลแล้วกุศลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นฐานให้ศึกษากุศลธรรมชั้นสูงต่อไปอที่น่าขยายเพิ่มเติมอีกหน่อยก็คือ เกี่ยวกับสิกษาบทที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าและที่สิบเนี่ยนะคำบอกว่างดเวณจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการดูหน้าสี่สิบามเนี่นะคำว่าวิการระโภชนังเนี่ยนะได้แก่การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงไปแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เที่ยงตรงไปแล้วเนี่ยเรียกว่าเวลาวิกาลลนะ จึงอยู่การบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยเวลาเที่ยงตรงนั้นก็คือการบริโภคอาหารเมื่อล่วงเลยการที่ทรงอนุญาตเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิกาลโภชนะการงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกานนั้นเนี่ยนะชื่อว่าวิกาลโภชนาเวรมณีศิกาาขาประดังสมาติยามิเนี่ยนะสมท า, านเพื่อที่จะงดเว้นจากการบริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป ก็เหมือนกับที่รักษาอุโบสถสีนั่นแหละส่วนสิกขาบทที่ว่านัจคีตวาทิตะวิสุกทัทสนาเนี่ยนะการงดเว้นจากการฟ้อนรําขับร้องประโคมการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกแตกุศลนี้ได้แก่ว่าคําว่านัจจะเนี่ยนะแปลว่าการฟ้อนรําส่วนคีตะก็คือการขับร้องวาทิตะก็คือการประโคม วิสุกทัศนะก็คือการดูสิ่งที่เป็นค่าศึกเพราะทําลายธรรมะฝ่ายกุศลโดยเป็นปัจจัยทําให้กิเลสเกิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหรือว่าการไปดูการเห็นสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อกุศลนี่แหละชื่อว่าวิสุกขทัศนะ์หรือว่าไปดูการฟ้อนรําการขับร้องการประโคมหรือดูสิ่งที่เป็นค่าศึกเนี่ยชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสุกขทัศนะ์ก็เหมือนกับที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรว่า อันหนึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบริโภคโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาคำว่าโภชนะในที่นี้เป็นชื่อของการบริโภคปัจจัย4ี่นะทั้งจีโวลบินทบาทเสนาสนะที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคเลยนะของที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็ยังชอบดูการละเล่นที่เป็นค่าศึกเห็นบานี้อยู่นะการละเล่นเหล่านี้เป็นค่าศึกนะคือการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมการเล่นมหรสพนะเล่นเหล่านิทานเล่นปรบมือ เล่นเคาะปลุกยามเล่นตีกลองเล่นของสวยๆทําของสวยๆเล่นนะนะเล่นเลียนคนจันทานเล่นไม้สูงเล่นหน้าศพเล่นชนช้างเล่นชนม้าเล่นชนกระบือเล่นชนโคเล่นชนแพะเล่นชนแกะเล่นชนไกนะมีนะบางแห่งเนโอ้ท่านเลี้ยงไก่ชนไม่ต่างหลายตัวกันนะไปชนไก่หรือว่าเล่นชนนกกระทาเล่นกระบีกระบองเล่นแข่งสุนัข เล่นชกมวยเล่นมวยปล้ำเอาไม่เล่นเองถ้าดูล่ะมาดูก็ไม่ดีเหมือนกันเล่นรบกันเล่นสนามรบเล่นตรวจพลเล่นจัดกระบวนทัรอันถ้าหากว่าจะรักษาศีลแปดก็อย่าไปดูมวยกันแล้วกันเหมือนกันนะเล่นดูกองทัพเห็นปานใดเหมือนกันนะไปดูเขารบกันเนี่ยนะพระสมณะโคดมเว้สขาดจากการดูการละเล่นเห็นปานนั้นดังกล่าวมาอันการดูการละเล่นทั้งหมดที่ว่าไปนี่ชื่อว่าเป็นค่าศึกต่อ กุศลเพราะขณะที่ดูเนี่ยนะสีลกุศลเกิดไหมสมถากุศลวิปัสสนามักกุศลเกิดขณะนั้นไหมยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสึกต่อกุศลเพรา ะ, ะนั้นในชั้นต้นก็ต้องสมทานเพื่อที่จะไม่ดูไม่เห็นก่อนเนี่ยนะ